หัวใจของการปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่การทําความเพียรการทําความเพียรก็คือการเจริญสติเนี่งนี่เป็นหัวใจสําคัญหรือหลักของการบําเพ็ญความเพียรหลักของการปฏิบัติธรรม อ้าไม่มีการเจริญสติไม่เรียกว่าเป็นการทำความเพียนะไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมและจะไม่มีการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมจะเป็นผลขึ้นมาได้ก็อยู่ที่การเจริญสติ การทำความเพียรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับใจนี้ไม่ควรที่จะอยู่ปราศจากสติเลยควรมีสติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาพราะถ้ามีสติควบคุมใจใจก็จะลอยไปลอยมาไม่ได้ใจก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบัน จะไม่ลอยไปในอดีตจะไม่ลอยไปในอนาคตถ้าเวลานั่งอยู่เฉยเฉยแล้วใจตั้งอยู่ในปัจจุบันใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่สมาธิได้ใจนี้ก็เป็นเหมือนกับลูกกอล์ฟที่ เขาตีเพื่อที่จะให้มันลงหลุมนั่นเองนักตีกอล์ฟเวลาเขาเล่นกอล์ฟกันเขาก็จะมีลูกกอล์ฟอยู่ลูกหนึ่งให้ตีแล้วก็มีหลุมให้ตีเข้าไปหาหลุมนั้นการตีลูกให้เข้าไปหาหลุมนั้นก็เรียกว่าเป็นการต้อนจิตต้อนใจ ให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองหลุมของจิตใจก็คือความสงบเหมือนกับหลุมของลูกกอล์ฟการตีลูกกอล์ฟเบให้มันเข้าไปใกล้เข้าไปให้ถึงหลุมนั้นก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการดึงใจให้เข้าใกล้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันได้นานเท่าไหร่ ก็แสดงว่าอยู่ใกล้กับปากหลุมของสมาธิมากขึ้นเท่านั้นถ้ามีสติจดจ่อต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเวลานั่งเฉยๆหลับตาไม่ทำอะไรใจก็จะรวมเข้า สู่ความสงบได้อย่างง่ายดายถ้ามีสติคอยควบคุมใจให้สักแต่ว่ารู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นรู้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือในขณะที่ไม่ได้นั่ง ก็ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้อยู่กับการทำงานของร่างกายร่างกายไม่ว่าจะทำอะไรให้ใจผูกติดอยู่กับร่างกายตลอดเวลาไม่ให้ห่างไกลออกจากร่างกายไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้รู้อยู่กับ การกระทาของร่างกายตลอดเวลาเรียกว่าเป็นการดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันดึงใจให้เข้าสู่ปากหลุมของของสมาธิของความสงบเหมือนนะักกอล์ฟที่เขาพยายามตีลูกกอล์ฟให้เข้าไปใกล้ถึงปากหลุมให้มากที่สุด แล้วพอถึงระยะที่เขาพอที่จะตีให้เข้าหลุมได้เขาก็จะตีเข้าลงไปในหลุมได้อย่างง่ายดายฉันใดถ้าใจนี้ได้ถูกดึงด้วยสติให้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับดึงใจให้อยู่ใกล้ปากหลุมของความสงบนี่เองปากหลุมของสมาธิพอนั่งเฉย แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างต่อเนื่องหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าใจนี้อยู่ห่างไกลจากปากหลุมเพราะว่าไม่ได้เจริญสติไม่ได้ทำความเพียรคิดว่าการทำความเพียรก็คือ การเวลาที่มานั่งสมาธิเท่านั้นไม่รู้ว่าการทําความเพียร น, นี้เป็นการทําความเพียรตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องพยายามตะลอมใจให้เข้าสู่ปัจจุบันอยู่เรื่อยๆอย่าให้ลอยไปในอดีตอย่าให้ลอยไปในอนาคตอย่าให้ไปลอยถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพุทธโธและเวลานั่งใจก็จะสามารถดึงให้เข้าไปในสมาธิได้ดึงใจให้เข้าไปในสมาธิได้ดังนั้นเราต้องพยายามตะล่อมดึงใจเราให้ อยู่ใกล้ปากหลุมของสมาธิอยู่ตลอดเวลาพอเวลาที่เรานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้นี่คือหลักของการบำเพ็ญของการปฏิบัติขั้นต้นนี้ต้องบำเพ็ญสมถะภาวนาก่อนต้องเอาใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้ก่อน เพราะว่าเมื่อใจได้เข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะเชื่องใจจะไม่ดือ้อใจจะไม่ทะเละทะไละไม่เกเรเวลาสั่งให้ใจทำอะไรใจก็จะทำตามคำสั่งเวลาที่ใจไม่สงบนี้ใจยังดือ้อยังเกเรจะไม่เชื่อฟัง บอกให้พิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะไม่พิ จ, จารณามันจะพิจารณาไปตามเรื่องที่มันเคยพิ จ, จารณาเรื่องที่ใจเคยพิ จ, จารณาใจที่ไม่สงบที่เคยคิดเคยพิ จ, จารณาก็เรื่องราบยศสารเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองจะดึงใจให้มาพิจารณาทางธรรม พิจารณาทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไม่ยอมมามันจะดือ้อมันจะต่อต้านมันจะสร้างอารมณ์ไม่สบายใจหดหูใจขึ้นมาเวลาให้พิจารณาความตายพิจารณาซากศพพิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามนีมันจะเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมา เกิดอาการหดหู่เกิดอาการขยะแ ข, ขยงเบื่อหน่ายไม่อยากคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นองค์ประกอบของปัญญาผู้ที่จะมีปัญญานี้จะต้องเห็นความตายจะต้องเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายแต่ถ้าใจยังไม่เชื่องยังไม่สงบ ใจยังดื้อรั้นเกเรทะเลทลายอยู่จะไม่สามารถที่จะดึงใจให้มาพิจารณาความจริงที่จะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาที่จะนําเอาไปทําลายปัญหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่าตายเกิด การบําเพ็ญในขั้นต้นจึงจําเป็นต้องบําเพ็ญสมถภ า, ภาวนาก่อนอย่ังที่ส่งแสดงไว้ในมรรคศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาอภาวนาก็มีสองระดับสมถะภาวนาก็คือสมาธิแล้วค่อยไปวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญา เพราะถ้าใจยังไม่สงบยังไม่มีสมถะภาวนาจะให้ดึงใจไปทางวิปัสสนาภาวนานี้ดึงยากมันไม่ไปมันดือ้อเหมือนกับดึงสุนักไปอาบน้ำลากสุนักไปอาบน้ำถ้าสุนักมันไม่ชอบอาบน้ำนี่มันจะไม่ยอมดังนั้นเราต้องทำใจที่ดื้อรั้น ที่เกเรที่ชอบทะเลทลายชอบไปเที่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพิพภัะชอบไปส ว, ว่างหาราบยศรละเสรนี้ให้มันเชื่องก่อนให้มันนิ่งให้มันสงบก่อนแล้วเวลามันออกจากความสงบมานี้มันจะไม่เกเรมันจะไม่ดื้อรัน้นมันจะไม่ทะเลทลายเพราะ ผู้ที่ทําให้มันดื้อรัน้นเกเรทะเลถลายนั้นได้ถูกอานาจของสมาธิกดเอาไว้หรือเปล่าตัดกําลังของผู้ที่จะทําให้จิตใจนี้ดื้อรัน้นเกเลทะเลไถลายก็คือกิเรตันหาต่างๆนี้เองเวลาใจเข้าสู่ความสงบแล้วกิเรตันหาก็จะ ทำงานไม่ได้เหมือนกับคนไข้ที่หมอจะทําการผ่าตัดหมอจะต้องดมยาสลบก่อนเพื่อให้คนไข้นี้ไม่ดิ้นเวลาที่หมอทําการผ่าตัดถ้าคนไข้ไม่สลบยังรับรู้อาการของร่างกายเวลาหมอผ่าก็จะดิ้นขึ้นมาทันที หมอจึงต้องดมยาสลบให้กับคนไข้ก่อนพอแน่ใจแล้วว่าคนไข้ไม่ดิ้นถึงจะทำการผ่าตัดได้ถ้าไม่ผ่าตัดถ้าไม่ดมยาสลบนี่พอจะผ่าเข้าไปเพียงแต่มีดแตะเข้าไปเนื้อหน่อยเดียวก็สะดุ้งแล้วดินแล้วฉันใดการเจริญปัญญาก็ต้องรอให้ใจนั้น เชื่องซะก่อนให้ใจมีว่าง่ายสวนง่ายทำตามคำสั่งได้เสียก่อนถึงเอามาเจริญปัญญาได้เวลาที่ออกจากสมาธิมาใหม่ๆนี้ใจจะเชื่องมากเพราะกำลังหรืออำนาจของสมาธินี้ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจ แต่มันจะค่อยๆจางไปเรื่อยๆหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วความสงบนี้จะค่อยจางไปเรื่อยๆอุเบกขาความนิ่งเฉยจะค่อยๆจางไปเรื่อยๆพอความสงบนี้จางออกไปกิเกลสตัณหาที่ถูกกดไว้ด้วยความสงบนี้ก็จะเริ่มมีกำลังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เวลาพิจารณาทางปัญญาไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สะดวกราบรื่นเพราะใจเริ่มทะเลาไห ล, ะะหลแล้วเริ่มที่จะไปทางตามทางของกิเลสตัณหาแล้วแทนที่จะเกาะติดอยู่กับการพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาการพิจารณาอาสุภะการพิจารณา อาหารเลยปฏิกูลสัญญาการพิจารณาธาตุสีดินน้ำลมไฟมันจะไม่ไปทางนั้นมันจะเริ่มออกไปทางลาบยศสรรเสริญออกไปทางลูกเสียงกลิ่นรสผลตภะถ้ามันเริ่มทะเลทถลายออกนอกลู่นอกทางก็แสดงว่าคนไข้นั้นยาที่ดมยาสลบให้กับคนไข้นั้นมัน หมดแล้วมันหมดฤทธิ์แล้วคนไข้เริ่มขยับตัวแล้วหมอจะทาการผ่าตัดต่อไปไม่ได้แล้วเพราะคนไข้จะดินหมอจึงต้องให้ยาสลบเพิ่มขึ้นอีกดมยาสลบเพิ่มขึ้นเพื่อให้คนไข้นั้นนิ่งอยู่เฉยๆต่อไปฉันใดหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วแล้วได้มีการพิจารณา ทาต่างๆอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วพอเริ่มทะเลทลายออกนอกรูกนอกทางไปก็ต้องหยุดการพิจารณาไว้ชั่วคราวแล้วกลับเข้าไปสู่สมถะภาวนากลับไปสู่การทาใจให้สงบเพื่อที่จะได้ตัดกําลังของกิเลสตันหาที่จะดึงใจให้ทะเลทลาย ให้ใจดื้อรั้นต่อการทํางานที่ควรจะทําก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ด้วยการเจริญอาณาปณสติดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทธานุสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธใหม่ให้ใจกลับเข้าสู่ความสงบพราะถ้าไม่ไม่กลับเข้าไปพอปล่อยให้ใจทะเลทลายไปคิดเรื่องต่างๆ ใจมันก็จะอยู่ห่างออกไปจากจากปัจจุบันนั่นเองไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตมันก็จะทำให้ใจนี้ไม่นิ่งไม่สงบเวลาจะเอากลับเข้าสมาธิก็จะยากเหมือนกับการตีลูกกอล์ฟถ้าตีให้มันห่างออกไปจากหลุม เวลาจะตีกลับเข้าหลุมมันก็จะยากแต่ถ้าตีให้มันอยู่ใกล้ๆหลุมอยู่พอมันจะออกห่างจากหลุมไปมากก็หยุดตีมันแล้วดึงมันกลับเข้ามาเวลาพิจารณาทางปัญญานี้ถ้าอยู่กับตายรักอยู่กับอสุภะอยู่กับเรื่องของปัญญานี้มันจะอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเผลอให้มันทะเลทลายไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เช่นเรื่องราบยศสารเสนเรื่องตาหูจมูกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันก็แสดงว่ามันเริ่มอ อ, ออกห่างจากหลุมของสมาธิคือความสงบแล้วความเป็นอุเบกขามันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่กลับเข้าไปในสมาธินี่มันก็จะฟุ้งซ่านได้ มันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าไม่เคยมีสมาธิไม่เคยปฏิบัติมาได้เะั้นผู้ที่จะออกทางปัญญานี้ต้องระมัดระวังต้องรู้จักประมาณของการพิจารณาในระยะที่เหมาะสมพอเริ่มเห็นว่าจิตใจเริ่มทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางดือรั้นไม่ยอมพิจารณาเรื่องที่ควรจะพิจารณาก็ควรที่จะหยุดพิจารณา แล้วก็ดึงใจให้กลับเข้าสู่สมาธิเพื่อที่จะได้ตัดกำลังของกิเลสตัณหาที่คอยยุยงส่งเสริมให้ใจทะเลาถลให้ดื้อรัน้นไม่ให้ทำงานในงานที่ควรจะทำคือพิจารณาใตรับพิจารณาอสุภะนั่นเองนี่คือเรื่องของความเพียร ความเพียรในขั้นแรกก็คือเพียรสร้างสติขึ้นมาเพราะสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญสมาธิต่อการเจริญปัญญาต่อการบรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถเจริญปัญญาได้ถ้าไม่ได้เจริญปัญญาก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเหมือนขั้นบันไดที่ต้องก้าวไปตามขั้นของเขาไม่ใช่ว่าจะก้าวข้ามขั้นไปเลยดังที่เคยที่นักปฏิบัติ บางท่านอาจจะคิดว่าถ้าปัญญานี้ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไปเสียเวลากับการเจริญสติไปเสียเวลากับการนั่งสมาธิทำไมทำไมไม่พิจารณาเลยเราก็พิจารณาได้อั น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราก็พิจารณาได้อสุภะเราก็พิจารณาได้แต่มันพิจารณาแบบสัญญา คือพิจารณาปร๊บเดียวแล้วก็คิดว่ารู้แล้วคิดจารความตายก็รู้ว่าอ๋อเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วพอแล้วนั่งกายนี่มันไม่สวยไม่งามมันเป็นซากศพรู้แล้วแค่นี้แล้วพอแล้วนี่เป็นปัญญาแบบที่ไม่มีสมาธิจะเป็นอย่างนี้พอเวลาไปเจอของจริงขึ้นมาปัญญาเหล่านี้หายไปไหนหมดเวลาเจอความตายขึ้นมา เวลาเกิดความกลัวตายขึ้นมาปัญญาที่จะมาดับความกลัวตายนี้มันหายไปไหนหมดเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาอยากจะเสพกามขึ้นมาอาสุภะนี่หายไปไหนหมดเพราะว่ามันไม่ได้ได้อยู่ติดกับใจตลอดเวลานั่นเองมันเป็นความรู้ชั่วคราวมันเป็นความจาไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วรู้แล้ว เคยรู้แล้วว่าต้องแต่ต้องเจ็บต้องตายเคยรู้แล้วว่าร่างกายนี้ต้องไม่สวยไม่งานเป็นเพียงดินน้ำลมไฟแต่พอถึงเวลาที่จะต้องใช้ปัญญาเหล่านี้มาดับตัณหาความอยากต่างๆก็ไม่สามารถที่จะดึงมาใช้ได้เพราะมันเป็นอดีตไปซะแล้วมันเป็นสัญญาไปซะแล้วเลือไปซะแล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทรมานใจพอหมอบอกว่าจะต้องตายก็ยิ่งทรมานใจใหญ่ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะไม่ทรมานใจมันจะจําได้ตลอดเวลาความรู้นี้มันจะเป็นปัจจุบันตลอดเวลามันจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาหมอบอกว่าต้องตายมันก็จะเฉยๆมันไม่ตื่นเต้นตกใจ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมามันก็ดับได้ทันทีทันใดเพราะมันมีปัญญาคืออสุภะนี่คอยมาดับได้ทันท่วงทีทันการทันเวลาเหมือนกับการมีที่ดับเพลิงเตรียมไว้ในบ้านพอเวลาเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา ก็สามารถเอาเครื่องดับเพลิงนี้มาดับไฟได้ทันทีเลยถ้าไม่มีเครื่องดับเพลิงเตรียมไว้ในบ้านเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะไปเอาอะไรมาดับไฟนั่นแหละปัญญานี้ก็เป็นเหมือนที่ดับไฟเครื่องดับไฟไฟก็คือความทุกข์ที่เกิดจากตันหาความอยากต่างๆนี่เองดนั้นการเจริญปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่อง อยู่เรื่อยๆสลับกับการทำสมาธินี้เรียกว่าเป็นการเตรียมเครื่องดับเพลิงเอาไว้เครื่องดับไฟเอาไว้ให้อยู่อยู่ในบ้านอยู่ใกล้ตัวเวลาที่เราต้องการจะใช้มันก็จะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆมันจะลืมไปเช่นเราพิจารณาปั๊บหนึ่งครั้งเดียวสองครั้งแล้วเราก็ไปคิดเรื่องอื่นแทน พอเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอริจังทุกขังอนาตาก็ไม่รู้หายไปไหนนึกไม่ออกคิดไม่ถึงกว่าจะคิดถึงได้ก็อาจจะนู่นทุกไปหลายชั่วโมงแล้วใจเพียดไปหลายชั่วโมงแล้วบางทีคิดไม่ได้เองต้องไปหาครูหาอาจารย์ให้เตือนว่าก็ให้พิจารณาตายลักษณ์ิพิจนารณาอริจังทุกขังอนาตตา ถึงจะกลับมาพิจารณาได้อย่างการที่คิดว่าเรารู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตารู้อริสุภะนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นปัญญาเช่นเวลาเราอ่านหนังสือนี่เราก็อ่านเราก็รู้ว่าองค์ประกอบของปัญญามีอะไรบ้างเช่นทุกอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยการเห็นอนิจจังก็เป็นปัญญาการเห็นทกุก็เป็นปัญญาการเห็นอนัตตาก็เป็นปัญญา การเห็นอสุภะก็เป็นปัญญาการเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เป็นปัญญาการเห็นอาการสามสิบสองของร่างกายมันก็เป็นปัญญาแต่เราเห็นแบบไหนเห็นแบบเดียวเดียวแล้วเราก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ลืมมันไปอย่างนี้เรียกว่าเห็นแบบสัญญาถ้าเห็นแบบปัญญานี้มันต้องเห็นตลอดเวลา จะเห็นตลอดเวลาได้ก็ต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาจนมันติดเป็นนิสัยไปเวลามันเห็นร่างกายนี้มันจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีมันจะเห็นอาการสาวสิบสองทันทีมันจะเห็นอสุภะทันทีมันจะเห็นเดินน้ำลงไฟทันทีต้องเห็นแบบนั้นนะแล้วมันจะไม่มีความยึดติดไม่มีความอยากกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของก จะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตัวตนตัวของไขแต่เห็นว่าร่างกายนี้เป็ น, เ, ป น, เ, ปนเพียงอาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วมันก็จะสลายออกไปกายไปดินนะกายไปเป็นดินน้ําำน้ำใสเวลาคนตายนี่เขาผาแล้วหรืออะไร ก็เหลือแต่ขี้เท่าลมมันก็หายไปหมดน้ำก็หายไปหมดไฟก็หายไปหมดเหลืออยู่ส่วนเดียวก็คือเดินนี่เองเดินก็คือขี้เท่าเศษกระดูกนี่คือร่างกายดินน้ำลมไฟนี่คือที่ไปของร่างกายคือความตายจุดหมายปลายทางของชีวิตคือความตายกัน ทุกคนรู้กันแต่ทำไมไปถึงกลัวความตายกันก็เพราะว่าไม่พิจารณาอย่างต่อเนื่องนั่นเองไม่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าต้องตายถ้าคิดอยู่ตลอดเวลาใจมันก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์พอใจมันเตรียมตัวเตรียมใจแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนมันจะไม่วัวุ่นวายมันจะไม่ทุกข์ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่ทุก กับความตายไม่ได้เป็นร่างกายแต่เป็นใจที่หลงไปยึดไปติดกับร่างกายไปคิดว่าร่างกายเป็นใจพอ ร, ร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาใจก็ตื่นเต้นตกใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าได้คอยสอนใจอยู่ได้เรื่อยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสอง พอมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายใจก็จะไม่ตื่นเต้นไม่หวาดกลัวไม่ตกใจเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่มีปัญญาก็จะทำให้ใจนี้ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับการดับของสิ่งต่างๆเพราะใจได้ถูกสอนให้พิจารณาให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มีเกิดแล้วต้องมีดับไปทั้งนั้นมีราบก็ต้องมีเสื่อมราบมียศก็ต้องเสือ่อมยศมีสรรลัเสริญก็ต้องมีนินทาสลับกันไปมีสรรลั่งเสริญสรรลเสริญพอเสือเ่อมจากสรรลเสริญก็ไปเจอนินทาเข้าไปเจอนินทาเข้ามันเสื่อมจากนินทามันก็กลับมาสู่สรรลเสริญ อ, อีกมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้แหละราบยศเกิด จเจริญแล้วก็เสื่อมเสื่มแล้วก็จเจริญอสรรเสริญนินทามันก็สลับกันไปสลับกันมาสุขทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็สลับกันไปสลับกันมาเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะที่ถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผดภพะที่ถูกใจไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ได้ สัมผัสกับลูกเสียงกินลดผลภพะใหม่ที่ถูกใจก็เกิดความสุขใหม่ขึ้นมาอีกมันก็สลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้บอกใจให้ตื่นให้บ้าไปกับการเกิดการดับของสิ่งต่างๆเวลาเกิดก็บ้าอย่างหนึ่งดีอกดีใจเวลาดับก็บ้าไปอีกอย่างเสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับคาว่าบ้าก็คือไม่ปกตินั่นเอง ไม่ปกติอยู่เฉยๆไม่ไม่เป็นปกติเวลาดีใจนี้ก็ถือว่าไม่เป็นปกติเวลาเสียใจก็ถือว่าไม่เป็นปกติไม่ปกติก็แสดงว่าบ้าถ้าบ้ามากๆก็เสียสติเวลาที่สูญเสียอะไรที่รับไปมากๆจนไม่สามารถที่จะรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความเป็นปกติได้ ก็กลายเป็นคนบ้าไปได้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไว้คอยเตือนใจคอยสอนใจให้รู้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาชีวิตของพวกเรานี้จะต้องเจอกับโลกธรรมแปดก็คือการเจริญและการเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขนี่เองเป็นธรรมสี่คู่โลกธรรมแปดก็คือ การเจริญราบเสื่อมราบหนึ่งคู่การเจริญยศเสื่อมยศหนึ่งคูก่การพบกับสรรเสริญนินทาหนึ่งคู่การพบกับความสุขความทุกข์หนึ่งคู่นี่คือเป็นธรรมแปดแปดประการด้วยกันเรือสี่คู่นี้ที่เรียกว่าโล ก, กธรรมแปดไม่ว่าใครก็ตามที่มาเกิดในโลกนี้จะต้องสัมผัสกั บ, กบ โลกกรําแปดนี้ด้วยกันทุกคนมีคนที่สัมผัสอยู่สองแบบด้วยกันคือสัมผัสแบบหลงก็คือเป็นบ้าไปกับการเจริญและการเสื่อมดูเวลาคนถูกโนตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นยังไงเป็นบ้าไปเลยดีออกดีใจใช่ไเป็นบ้าไปใช้เงินใช้ทองแบบไม่มีเหตุไม่มีผล และเวลาสูญเสียเงินทองไปก็เป็นบ้าไปไม่เป็นปกติแต่คนที่ไม่เป็นบ้าก็คือคนที่รู้โลกกรรมแปดผู้ที่รู้โลกกรรมแปดคือไทยคนแรกก็คือพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโลกาวิทูผู้รู้โลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้โลกโลกก็คืออะไรก็คือโลกกรรมแปดพระพุทธเจ้าได้พิจารณาด้วยปัญญาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้เจริญสมถาภาวนาแล้วพระพุทธเจ้าก็พิจารณาโลกธรรมทั้งแปดนี้ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นสี่คู่ด้วยกันมันมีเจริญหน้าเสื่อ ม, อมไม่ว่าจะเป็นลาบยศจารเสริญสุขนี่มันมีการเจริญแล้วมันก็มีการเสื่อมท่านก็รู้ทันเหมืนเวลามันเจริญก็ไม่บ้าไปกับมันก็เฉยเฉยไปรู้ว่ามันเจริญเพื่อเสื่อม เวลามันเสื่อมก็รู้ว่ามันเสื่อมเพื่อเจริญมันขึ้นมันต้องขึ้นมันถึงจะลงได้แล้วมันจะขึ้นได้มันก็ต้องลงมาก่อนถ้าเราอยู่ชั้นบนเราจะขึ้นไปได้ไงมันเราก็ต้องลงมาชั้นล่างก่อนพอลงมาชั้นล่างเราก็จะได้ขึ้นไปชั้นบนใหม่ได้อั่นใดเวลาเวลาเสื่อมคนฉลาดจึงคิดว่าดีจะได้ขึ้นไปได้จะได้เจริญได้ไม่เสียใจ เวลาจเจริญก็ไม่ไม่ดีใจเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเสื่อมมันเดี๋ยวมันจะต้องลงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขึ้นขึ้นลงลงไปเพราะในโลกนี้มันเป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสลับกันไปสุขสลับกับทุกสรรเสริญ ส, สลับกับการเยินยออกับการกับการนินทายศธาบรรดาศ มีการขึ้นมีการลงทรัพ ส, สมบัติเข้าวของเงินทองมีการมามีการไปตายไปก็จบเอาไปไม่ได้สักอย่างอยู่ดีนี่คือเรื่องของปัญญาเราต้องพิจารณาให้เห็นอ น, นิจจังนี่คำว่าอ น, นิจจังคือไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้ไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอีกอย่าง วันนี้มีเงินแค่นี้พรุ่งนี้มีมากขึ้นหรือพรุ่งนี้มีน้อยลงมันก็มีเท่านี้มันมีอยู่สามทางมากขึ้นน้อยลงหรือเท่าเดิมจะไปเอาอะไรกับมันสั่งมันได้หรือเปล่บาบังคับให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันได้หรือเปล่ามันก็บังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้คาสั่งของเรา ถ้ามันอยู่เป็นใต้คําสั่งของเราพวกเราก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินกันไปหมดแล้วเป็นมหาเศรษฐีกันไปหมดแล้วเป็นดาราภาพยนตร์ไปหมดแล้วเป็นนางงามจักรวาลกันไปหมดแล้วถ้าเราสั่งได้นี่มันสั่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเจริญมันก็เจริญมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมเหตุปัจจัยบางอย่างเราก็ทําได้ เตุปัจจัยบางอย่างเราก็ทำไม่ได้เปัจจัยอันใดที่เราทาได้ก็คือการครวบคุมใจนี้เราทำได้เราครวบคุมใจไม่ให้ทุกข์กับการเจริญกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราทำได้แต่เราไปควบคุมการเจริญการเสื่อมของสิ่งต่างๆในโลกนี้เราครวบคุมไม่ได้ดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการครวบคุมในสิ่งที่เราครวบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ให้เรามา เสียเวลากับการสั่งมาควบคุมสิ่งที่เราสั่งได้ที่เราควบคุมได้ก็คือใจของเราควบคุมใจของเราให้อยู่อย่างปกติได้ไม่บ้าไปกับการเจริญไม่บ้าไปกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆได้ให้สัตธวรมรู้ได้จะสัตธวรมรู้ได้ก็ต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาตายลักอยู่เรื่อย พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้เส้นราบยศสรรเสริญสุขนี้เราไปสั่งให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีเสื่อมสลับกันไปสลับกันมาถ้าเรารู้ว่าเราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือใจของเราใจของเราอย่าไปอยากให้มันเจริญอย่างเดียว ใจของเราก็ให้มันไปกับความเจริญไปกับความเสื่อมเวลามันเสื่อมใจเราก็ยินดีไปกับมันเวลามันเจริญใจเราก็ยินดีไปกับมันถ้าเรายินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างใจของเราก็จะไม่ทุกข์ปัญหาของพวกเราคือเราเลือกชอบเลือกที่รักมักที่ชังไม่ชอบยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างชอบยินดีกับการเจริญแต่รังเกียจกับการเสื่อม พอเวลาพบกับความเสื่อมก็เลยต้องทุกกับมันแต่ถ้าเรายินดีทั้งกับการเจริญทั้งถับการเสื่อมเวลาเจริญเราก็จะมีความสุขเวลาเสื่อมเราก็จะมีความสุขเพราะเรามีความยินดีเท่ากันเราให้ความเสมอภาคกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกที่รักไม่ไม่ไม่เลือกที่รั ก, ม, ม, ม, ก, รกมักที่ช่างมาอย่างไหนก็รับได้ เสื่อมลาบก็รับได้เจริญลาบเจริญลาบก็รับได้เสื่อมยศก็รับได้เจริญยศก็รับได้สรรเสริญก็รับได้มินทาก็รับได้สุขก็รับได้ทุกข์ก็รับได้นี่คือใจของพระพุทธเจ้าโลกรวิชูใจของพระอรหันตสาวกนท่านปฏิบัติเพื่อให้มาถึงจุดนี้องมาถึงจุดที่รับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้หมดไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลง ท่านจะไม่มีการลำเอียงท่านให้ความยุติธรรมกับทุกสภาวะธรรมเพราะท่านพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าสภาวะธรรมทั้งปวงนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลือกไม่ได้ไปชอบไปชังไม่ได้เพราะจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่เลือกไม่ชอบไม่ชังไม่เลือกที่รักมากที่ชังมาอย่างไรก็ยินดีกับอย่างนั้น เช่นที่ท่านพูดว่าให้ยินดีกับสิ่งที่มีอยู่หรือให้พอใจกับสิ่งที่ได้รับเนี่ยให้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่หรือยินดีกับสิ่งที่ได้รับเนมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรข อ, อให้เราฝึกคำว่ายินดีไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างจะยินดีได้เราก็ต้องมีปัญญาจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิต้องมีใจที่สงบใจที่สักแต่ว่ารู้ ให้ยินดีแบบศักด์แต่ว่ารู้เท่านั้นคือรับรู้ว่าตอนนี้กำลังเจริญตอนนี้กำลังเสื่อมรับรู้แล้วก็ยินดีกับการรับรู้นั้นไปใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียดใจจะไม่ต่อต้านเวลาสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็จะไม่ต่อต้านไม่เกิดความอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหายไป เพราะถ้าเกิดความอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหายไปก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ต่อต้านยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันมันจะมาอย่างไรในรูปแบบใดมันก็เป็นเรื่องของมันแต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่ไปต่อต้านไม่ไปมีความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไปมันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไป อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นอพออยากแล้วมันจะเครียดเพราะมันยังไม่ได้ดังใจอยากนี่คือการปฏิบัติที่จะก้าวมาตามลำดับจากการเริ่มต้นที่การเจริญสติที่จะเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่อง ป, ปฏิบัติตลอดเวลาเพราะว่าเวลาใดาที่ไม่ได้เจริญสติ เวลานั้นก็เป็นเวลาของข้าศึกศัตรูที่จะมาบุกทำลายจิตใจของเราสตินี้เป็นเหมือนกับทหารที่คอยปกป้องประเทศชาติถ้าวันไหนทหารหยุดงานพักงานวันนั้นบ้านเมืองก็จะไม่มีรั้วคอยป้องกันข้าศึกศัตรูข้าศึกศัตรูก็จะลุกเข้ามาในบ้านเมืองได้ เพราะข่าศิกศัตรูนี่เขาทำงานตลอดเวลาคือกิเลสตัณหาในใจของพวเรานี่ททำงานตลอดเวลาเพราะตื่นขึ้นมาก็เริ่มทำงานเลยตื่นขึ้นมาก็เกิดความอยากอยากทำนู่นอยากทำนี่บางทีก็อยากเข้าห้องน้าก่อนตื่นขึ้นมาอยากแนละ้วห้องน้าเสร็จก็อยากจะดื่มน้าต่อดื่มน้าเสร็จก็อยากจะรับประทานขนมต่อ อยากไปเรื่อยๆมันมีเรื่องให้อยากมันทำงานตลอดเวลาถ้ามีสติมันก็จะคอยจักั่ไว้ได้ถ้ามีปัญญามันก็จะแยกแยะว่าความอยากอันไหนเป็นไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจคือเป็นความจำเป็นเช่นอยากถ่ายอยากปัสสาวะมันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของกิเลสตัณหาก็ปล่อยมันไยได้ แต่มันอยากจะดื่มกาแฟอยากจะกินขนมเนี่ยทั้งทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาก็อย่าเพิ่งไปดื่มอย่าเพิ่งไปรับประทานรอให้ถึงเวลาก่อนแล้วค่อยรับประทานต้องรับประทานอาหารตามความต้องการของร่างกายเหมือนกับการรับประทานยาอย่ารับประทานตามความอยากเพราะมันจะเกิดโทษทั้งกับจิตใจและกับร่างกายรับประทานมากเกินไปร่างกายก็มีน้าหนักเกิน ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาได้โดยไม่จําเป็นโรคภัยที่ไม่จําเป็นจะต้องเกิดเกิดจากความอยากรับประทานแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาถ้ารับประทานแบบมีเวลาเวลาก็จะเหมือนกับการรับประทานยาจะไม่มีโทษถ้ารับประทานยาแบบไม่มีเวลาเวลายักนึกอยากจะรับประทานยาก็รับประทานไปเดี๋ยวก็ต้องแพ้ยาเดี๋ยวก็จะต้องตายเพราะยา แทนที่จะอยู่ได้เพราะยากับตายเพราะยาฉันใดคนเรานี่แทนที่จะอยู่ได้อยู่อยู่ได้เพราะอาหารก็กลับตายเพราะอาหารตายเพราะรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตรับประทานอาหารตามความอยากนี่คือการทำงานของความอยากมันทำตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามันทำถ้าเราไม่ต่อต้านมันด้วยการสร้างสติขึ้นมา มันก็จะบุกเข้ามาทำลายจิตใจสร้างความทุกข์ให้ก็บจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติของเราก็เลยไม่มีวันที่จะคืบหน้าไปไหนได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูนั่นเองการทำความเพียร น, นี้ก็คือการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความเพียรการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูในเบื้องต้นก็คือการเจริญสตินี่เองต้องดึงใจไว้ให้ห่าง ให้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องของความอยากต่างๆเลยขึ้นมาก็พุโทโธเลยพอมันอยากปั๊บเราก็พุโทโธสวนไปเลยพุโทโธพุโทโธไปเอยังไม่ถึงเวลากินพุโทโธพุโทโธไปยังไม่ถึงเวลาดื่มพุโทโธพุโทโธไปเอเราต้องใช้สติประ ก, กาศกั้นข้าศัตรูถึงจะเรียกว่าเป็นการทําความเพียรถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เจริญสตินี้เราจะไม่มีการ ทำความเพียรจะไม่ถือว่าเป็นการทําความเพียรจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิแต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการบําเพ็ญไม่เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นการทําความเพียรเพราะองค์ประกอบที่สําคัญในการทําความเพียร น, นี้ไม่มีนั่นเองคือไม่มีไม่มีสติเหมือนกับการหุงข้าวถ้าไม่ใส่ข้าวเข้าไปในหมอ้อมีแต่น้ํา หุงไปยัไงก็ไม่มีข้าวที่จะสุก ข, ขึ้นมาได้เพราะองค์ประกอบของข้าวก็คือเมล็ดข้าวนี้เองเวลาหุงข้าวเราจึงต้องใส่เมล็ดข้าวเข้าไปในหม้อแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปแล้วก็ต้มมันแล้วมันเดียวข้าวก็จะสุกได้ส่วนใดการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมก็ต้องมีสติเป็นองค์ประกอบต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอเวลา มีเวลาว่างไม่ต้องทำภา ร, รกิจการงานต่างๆก็ต้องนั่งนั่งให้บ่อยๆนั่งให้มากๆพอเวลาไม่นั่งก็ต้องพิจารณาอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะเริ่มถลเอะถลเอออกนอกรูนอกทาง <c oughs> ไม่ทำงานที่มอบไว้ให้ทำก็ต้องกลับมาเข้ามาสู่สมาธิใหม่ <c oughs> <c oughs> การที่ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆก็เพื่อที่จะได้ ให้มันฝังอยู่ในใจไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมนั่นเองให้มันอยู่กับใจตลอดเวลาเวลาจะใช้มันจะได้ใช้มันได้อย่างเต็มที่เวลาเจอความแก่ก็จะไม่ตกใจเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่กลัวเจอเวลาเจอความตายก็จะไม่หวาดวิตกไม่หวาดกลัว <c oughs> เวลาเห็นภาพสวยๆงามๆก็จะไม่เกิดการอารมณ์ขึ้นมา พราะเวลาจะพอจะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาภาพไม่สวยไม่งามมันก็จะออกมา ท, ทันทีนี่แหละคือการสร้างปัญญาที่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็เพื่อที่เป็นการสะสมความรู้นี่ไว้ให้อยู่ในใจเหมือนกับการสะสมน้ำดับเพลิงไว้ในบ้านเครื่องดับเพลิงไว้ในบ้านถ้ามีเครื่องดับเพลิงมากเท่าไหร่ยิ่งดีถ้ามีอยู่ทุกห้องเลยนี่เวลาไปลุกห้องไหนก็ดับได้ทันที ถ้ามีอยู่เครื่องเดียวมันต้องวิ่งไปหากันหนี่งพอไ่วิ่งกลับมามันไม่ทันการแล้วไฟมันไหม้ไปแล้วไฟเครื่องดับเพลิงเครื่องฆ่ากิเลสคือปัญญานี้มันก็ต้องมีอยู่หลายหลายห้องแต่ละห้องมันก็ใช้ไม่เหมือนกันแต่ละเครื่องมีน้ํายาไม่เหมือนกันเพราะไฟที่ติดมันไม่เหมือนกันไฟอนิจจงไฟทุกขังไฟอนัตตานี่นี่คือปัญญาปัญญาต้องใช้ เวลาเจออนิจังก็ต้องใช้ฝอยใช้ปัญญาคืออานิจังดับมันเวลาเจอการสูญเสียเจอการเสื่อมก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเวลาเจอความทุกข์ก็ต้องสอนว่ามันเป็นธรรมดาโลกนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปเวลาเจอการมารมก็ต้องใช้อสุภะขึ้นมาเวลาอยากอาหารนอกเวลา เช่นถือศีลแปดพอตอนบ่ายตอนเย็นเริ่มอยากจะกินอาหารขึ้นมาก็ต้องเอาอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาขึ้นมานึกถึงอาหารที่ออกมาจากทางทวารหนักบ้างนึกถึงอาหารที่อาเจียนออกมาจากท้องบ้างอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานถ้านึกถึงอาหารที่ออกมาจากทวารออกมาจากท้องมันจะไม่อยากจะกินอาหารมันจะดับความอยากได้ นี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาที่จะต้องทำสลับกับการเข้าไปสู่สมาธิถ้าทำอย่างนี้ไปต่อไปปัญญาจะมีเต็มอยู่ในหัวใจจะมีอยู่ตลอดเวลาเวลาเกิดตัณหาความอยากชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาก็จะสามารถใช้ปัญญาเข้ามาสกัดใช้เข้ามาใช้เข้ามาดับตัณหาได้ดับความทุกข์ได้จนไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจจนใจนี้ ว่างไปหมดว่างว่างจากความอยากมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจเพราะใจที่ไม่มีความอยากนี่แหละเป็นใจที่สงบใจที่สงบนี่แหละที่เป็นใจที่เป็นมีความสุขที่แท้จริงและมีความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดไปเพราะเป็นความสุขที่ไม่ต้องผลิตมันขึ้นมามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กับใจอยู่แล้วที่มัน หายไปก็เพราะความอยากมันมาทำลายนั่นเองพอเราทำลายตัวที่มาทำลายความสุขที่เป็นธรรมชาติของใจไปหมดไปแล้วความสุขที่เป็นธรรมชาตินี้ก็จะอยู่กับใจไปตลอดเพราะไม่มีใครมาทำลายมันนั่นเองเหมือนกับป่าไม้นีถ้าเรารักษาป้องกันไม่คนมาตัดไม้ต้นไม้เราไม่ต้องไปปลูกมันนะเดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมาเองต้นไม้ในป่า บนเขานี้ตั้งแต่เราขึ้นมาอยู่ไม่เคยปลูกต้นไม้ต้นไม้มันโตของมันขึ้นมาเองแล้วมันก็ปลูกของมันขึ้นมาเองมันมีมีเมล็ดร่วงลงมาแล้วมันก็ตกลงไปในดินแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหม่เราเพียงแต่คอยรักษาไม่คนมาตัดมันเท่านั้นเองแล้วป่ามันก็จะอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ไปฉันไดความสุขที่เป็นธรรมชาติของใจนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราทำลายผู้ที่จะมาคอยทำลายความสุขอันนี้ได้คือความอยากต่างๆได้ความสุขอันนี้มันก็จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ต้องรักษาไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องสร้างมันขึ้นมาการปฏิบัติของเรานี้เราเพียงแต่มาทำลายไอ้ตัวที่มาทำลายความสุขที่เป็นธรรมชาติของใจนี้เท่านั้นเองพอตัวที่มาทำลายคือความอยากต่างๆนี้ถูกทำลายไปหมดแล้ว ความสุขที่เป็นธรรมชาติก็จะอยู่เต็มเปลี่ยนไปตลอดที่เรียกว่าบรมสุขปรมังสุขขังนี่เองนี่คือผลของการปฏิบัติของผลของการทําความเพียรเริ่มตั้งแต่การเจริญสติแล้วแล้วก็เจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาผลก็จะปรากฏเป็นความสุขที่เป็นธรรมชาติของใจนี้ปรากฏขึ้นมาตามลําดับ ตามกําลังของการปฏิบัติจนปรากฏขึ้นมาเต็มเปลี่ยมภายในหัวใจเมื่อเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจแล้วภารกิจของการปฏิบัติก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ทําสําเร็จแล้วงานที่จะต้องทํามากไปกว่า น, นี้ไม่มีอีกแล้วงานที่จะต้องทําเพื่อทําให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้ทําอย่างสมบูรณ์แล้วครบถ้วนแล้วไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทําอีกต่อไปนี่คือ เกียรติที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านได้ทำกันได้บรรลุถึงกันเป็นเกียรติที่พวกเราต้องทำถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้รับกันดังนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญความเพียรหัวใจของการบำเพ็ญความเพียรก็คือการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับ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 เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปปเมวะสมิจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาหราโสยทามนิโชติหราโสยทัสพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควีนัสตุ มาเตภวัตวันตารายสุขีทีคายยโกภะอภิวาธนสีลิสนิจังวุทธาปจายโนจตารโรธรมาวาทานติอายุวันโสุขังภาลาง ต่อไปนี้จะเป็นเวลาสาหรับถามตอบปัญหาธรรมกันท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เพื่อที่ผู้ฟังจะได้ยินคำถามอย่างชัดเจนถ้าไม่ได้พูดผ่านทางไมโครโฟนเวลาฟังจะไม่ได้ยินคำถามแล้วเวลาตอบแล้วคนฟังก็จะไม่ทราบว่าตอบกับคำถามอะไร ท่านที่ศึกษาและได้เริ่มปฏิบัติแล้วถ้าอยากจะทราบามีปัญหาอะไรก็เชิญถามได้ไม่ถือว่าเป็นการแสดงความโง่คนถามนี่แสดงว่าเป็นคนฝ่รู้ไฝ่ศึกษาเพราะถ้าเราไม่ถ้าเรามีปัญหาแล้วเราไม่ถามไม่หาถามหาคำตอบเราจะไปได้คำตอบจากที่ไหน เพราะบางทีคาตอบนี้เราไม่สามารถหาได้ด้วยตัวเราเองเราก็ต้องพึ่งผู้รู้การพึ่งผู้รู้ก็เหมือนการการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเป็นที่พึ่งของพวกเราเวลาเรามีความสงสัยมีความไม่เข้าใจในหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ควรที่จะเข้าหาผู้รู้ถ้าเราไม่สามารถ หาคําตอบให้กับตัวเราเองได้ดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็เชิญถามได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ท่านที่ถามผ่านทางถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตคอ่บเชิญถามได้เลยพรานารย์มีที่สักถามค่ะว่าอาการหรือสภาวะสักแต่ว่ารู้กับอุเบกขามีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับนิโรดยังไงคะ มันก็อัเดียวกันนะนิโรธก็คือการดับทุกขเวลาจิตรวมสงบกิเลสไม่ทํางานทุกขก็ไม่เกิดมันก็นิโรธเวลาจิตสงบมันก็เป็นโอเบกคาแล้วมันตัวเดียวกันนะมันถึงจุดนั้นแล้วมันก็เหมือนกินข้าวอิ่มอิ่มแล้วก็สบายอยากจะนอนอย่างเดียวไม่อยากจะทําอะไรจะถามว่าตัวไหนเป็นตัวไหนมันก็ตัวเดียวกันนแหละใช่ไหม เวลาหิวก็นอนไม่หลับใช่ไหมแต่เวลาอิ่มนี่มันก็อยากจะนอนมันไม่อยากจะทำอะไรมันสบายมันมีความสุขเวลาจิตสงบมันก็ไม่โรดทุกข์ก็ไม่มีอันนี้แต่อุเบกขาจักตะวารู้เฉยๆฉะนั้นมันเป็นตัวเดียวกันถ้าปฏิบัติได้เห็นได้ได้เห็นผลแล้วมันก็จะเข้าใจที่ถามนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เห็นผล ต่อไปก็สู้ปฏิบัติเองไม่ได้นังคำที่พูดก็ดังคาพูดที่ว่าสิบปากว่าไม่ไม่เท่ากับหนึ่งตาเห็นไม่สู้หนึ่งตาเห็นนะเพนั้นต้องเห็นด้วยตัวของเราเองเห็นด้วยการปฏิบัติคำถามแบบนี้ไม่ควรจะถามควรจะถามว่าทำอย่างไรให้มันเข้าสู่เบกขาได้จะดีกว่าอย่าไปถามเรื่องผลพระพุทธเจ้ามักจะไม่ค่อยตอบเรื่องผลเท่าไหร่จะตอบแต่เรื่องเหตุ ว่าควรจะเจริญเหตุอย่างไรเพื่อให้ได้ไปถึงผลอันนั้นเพราะถ้าเล่าถึงผลแล้วคนฟังมันจะจินตนาการไปแล้วมันจะไม่ตรงกับความจริงเหมือนคนที่ไม่เคยไปสหรัฐเนี่ยถามคนที่ไปสหรัฐมาว่าสหรัฐเป็นยังไงพูดไปยังไงมันก็ไม่ตรงกับความคนฟังก็มันก็จะไม่คิดมันก็จะไม่เห็นตามความเป็นจริงมันก็จะจินตนาการไปตามความคิดเท่านั้นเอง พอไปถึงอเมริกาแล้วมันไม่มันก็จะเห็นเองว่าอเมริกาเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามให้เสียเวลาควรจะถามว่าไปอเมริกาอย่างไรดีกว่าไปอเมริกาก็ต้องทาพาสปอร์ตวีซา่าซื้อตั๋วเครื่องบินอี่งั้นเวลาอยากจะเห็นผลอยากจะรู้ผลก็ควรจะศึกษาเหตุดีกว่าว่าทํไงถึงจะได้เหตุอ น, นั้น เพราะต่อให้เราตอบเรื่องผลเล่าเรื่องผลให้ฟังกี่รอ้อยพีพันครั้งคนฟังก็ไม่ได้ผลอยู่ดีแต่ถ้าบอกให้คนฟังว่าลองทำอย่างนี้สิเช่นอยากจะให้จิตเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เป็นนิโรธก็ลองจะเดินสติดูสิบริกรรมพุทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับดูหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลา ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวมีการทําการกระทําต่างๆพอเวลามีเวลาว่างก็นั่งเลยหาที่สงบมุมสงบไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็นั่งมันทําใจให้มันรวมเข้าไปสู่ความสงบพอมันเข้าถึงความสงบมันไม่ไปถามแล้วล่ววะว่านี่โรคเป็นยังไงสักดิ์แต้วรู้เป็นยังไงอุเบกขาเป็นอย่างไรมันเห็นกับตาแล้ว ดังนั้นควรที่จะให้ความสนใจต่อเหตุมากกว่าผลผลก็พอทราบเพียงคร่าวๆก็พอขอให้รู้ว่าผลมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันจะเป็นแบบไหนละเอียดละออนขนาดไหนนี่ต้องอยู่ที่การประสบด้วยตนเองอย่างขอให้พวกเราพยายามสร้างเหตุให้มากอย่างวันนี้กระพูดเนี่ยเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือการเจริญสตินอ่าถามอีกไหม ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณพนมทำดีทำยากจริงยิ่งสิ่งแรกเลยคือการชนะใจตนเองแต่ไม่ทอ้อทำไมทำดีต้องเจอบททดสอบเยอะจังครับก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเวลาเราทำไม่ดีนี่มัน มันมันทำง่ายมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีบธททดสอบพอเราทำความดีนี่เราไปทำในสิ่งที่มันยากมันก็เลยกลายเป็นบธททดสอบขึ้นมาเท่านั้นเองมันก็ขึ้นอยู่กับคนทำด้วยถ้าเป็นคนดีนี้ท่านบอกว่าทำดีง่ายบธททดสอบน้อยถ้าเป็นคนไม่ดีไปทำความดีนี้จะทำยากก็จะเจอบธททดสอบมากบธททดสอบก็คือตัวเรานี่เองล่ะ ตัวเราที่ไม่ชอบทำความดีพอจะทำความดีมันก็มีเหตุมีอะไรมาอ้างอยู่เรื่อยๆหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างหิวเกินไปบ้างอิ่มเกินไปบ้างไม่มีคำว่าพอดีสำหรับการทำความดีเลยแต่เวลาทำความไม่ดีนี่มันพร้อมตลอดเวลาหิวก็ทำได้อิ่มก็ทำได้เพราะว่ามันเป็นนิสัยติดกับตัวมา ท่านถึงพูดว่าคนทําดีนี้ทําชั่วได้ยากคนชั่วนี้ทําดีได้ยากเพราะเขาจะทําไปตามที่เขาได้ทํามาคนชั่วจะชอบทําความชั่วคนดีจะชอบทําความดีคาถามต่อไปจากคุณวิไลกิตหากเราเป็นแม่ชอบศึกษาแนวทางตามวัดป่า อยากให้ลูกชายวัยเก้าขวบศึกษาตามโยมอยู่ที่อังกฤษแต่ไม่มีวัดที่รับบวชสามนเณรหรือดูร้อนหรือสอนเด็กที่นี่มีแต่สายวัดบ้านควรทำอย่างไรคะก็แม่เนี่ยแหละสอนลูกสิแม่ไปเรียนสายวัดป่ามาแล้วก็เอาสายวัดป่ามาสอนลูกคำถามต่อไปจากคุณมนดิลา ฟังเทศเก่าของพระอาจารย์เทศเรื่องกับดักของทานศีลสมาธิดิฉันสนใจเรื่องกับดักของศีลค่ะบครบกวนพระอาจารย์อธิบายกับดักของศีลห้าแต่ละข้อด้วยค่ะเราจาไม่ได้แล้วนะต้องไปอ่านใหม่ก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณแป๋ม จิตใจไม่ตั้งมั่นจะฝึกเช่นไรดีคะก็ฝึกสติไงเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้มีสติเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็จะตั้งมั่นเองเหมือนเวลาที่เราลอยอยู่ในน้ำน้ำเชี่ยวถ้าเราอยากจะไม่ให้เราไหลไปกับตามกระแสน้ำเราก็ต้องมีอะไรเกาะเมลไยยึดใจของเราก็มีกระแสอยู่ในใจเรากระแสของความคิดปรุงแต่ง ถ้าเราไม่มีอะไรยึดมันก็จะไหลไปตามกระแสถ้าเรามีอะไรยึดมันก็ไม่ไปถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธอยู่มันก็จะไม่ไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆหรือมีอย่างอื่นแทนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพุโทโธอย่างเดียวเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพระเจ้าทรงสแสดงไว้ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบถ้าเราใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ใจของเราก็จะไม่ไหลไปกับกระแสของความคิดปรุงแต่งงะนั้นขอให้เราฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปใจเราจะจะนิ่งจะแน่นจะไม่ลอยไปลอยมาคำถามต่อไปจากคุณชัยพฤกษ์ใจคนเราไม่เคยแก่เป็นอย่างไรครับถึงแม้ตัวแก่แล้วเกี่ยวอย่างไรกับสัจธรรมครับ อย่างที่พูดเนะี่ยใจมันเป็นของที่ไม่ตายใจเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มีการพัฒนาการและมีการเสื่อมไปตามการตามเวลาแต่ใจนี้ไม่มีการพัฒนาการไม่มีการเสื่อมแบบร่างกายแต่ใจก็ยังมีการพัฒนามีการเสื่อมในคุณสมบัติของใจตัวใจเองไม่ได้แก่ไม่ได้โตไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรทั้งนั้น แต่คุณสมบัติของใจนี้มีการเจริญมีการเสื่อมได้เช่นบุญและบาปที่มีอยู่ในใจนี้เราสามารถทำให้มีบุญมากขึ้นได้สามารถทำให้มีบาปน้อยลงได้ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทำบุญละบาปถ้าเราต้องการให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเราก็ชาระใจให้สะอาดด้วยการภาวนา ด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใจของเราก็จะสะอาดขึ้นไปตามลำดับจนกลายเป็นใจที่สะอาดโบโดยสุดใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันต์ตสมวกทั้งหลายเป็นใจที่สะอาดโดยสุดย้อนใจไม่ไม่ได้แก่เหมือนร่างกายร่างกายแก่ใจก็ยังเหมือนตอนที่เกิด ต่ร่างกายตายใจก็ยังอยู่เหมือนกับตอนที่ไม่มีร่างกายใจนี้อยู่ได้โดยที่ไม่มีร่างกายเวลาไม่มีร่างกายถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านก็ไม่ไปหาร่างกายใหม่ไปเพราะท่านมีปัญญาเห็นว่าการมีร่างกายนี้เป็นการมีความทุกข์ได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายท่านไม่อยากทุกข์ก็เลยท่านก็เลยไม่ไป ไขว่คว้าหาร่างกายอันใหม่มาพวกเรานี่ยังไม่มีปัญญายังไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ตลอดเวลาเห็นเฉพาะเวลาที่มันเกิดขึ้นเห็นเวลาตอนที่มันแก่มันเจ็บมันตายแต่เวลาที่มันเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันลืมไปหมดมันไม่คิดว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็เลยไม่กลัวไม่เข็ดไม่ลาบพอเวลาไม่มีร่างกายแล้วมันก็อยากจะมีร่างกายอันใหม่ นี่คือการปฏิบัติเพื่อสอนใจไม่ให้ลืมความแก่ความเจ็บความตายเพื่อจะได้ไม่อยากจะมีร่างกายอันใหม่แต่พวกเราถ้าไม่มีปัญญาเราจะลืมเพราะเราไม่พิจารณาอยู่เนืองๆ อ, อย่างที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พิจารณาว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้มีการพัดพาคจากของรละของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าเราจเจริญปัญญานี้ไว้ในใจของเราตลอดเวลาต่อไปเราจะไม่ลืมว่าร่างกายการมีร่างกายนี้ก็คือการมีความทุกข์นั่นเองเมื่อเราไม่ลืมแล้วพอร่างกายนี้หมดไปเราก็จะไม่เอาร่างกายใหม่แล้ว คำถามต่อไปจากคุณวาเลนไทยข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมปีละสองครั้งฟังและอ่านหนังสือธรรมะทุกวันนั่งสมาธิที่บ้านพยายามกำหนดพุทโธตลอดทาอย่างนี้มาสามถึงสี่ปีแล้วสีลห้ามีบ้างที่พลังวาจาไม่สุภาพนอกนั้นทาได้ครบใจเย็นขึ้นเลิกเจ้าชู้เลิกเที่ยว ความเปลี่ยนแปลงก็ดูเหมือนจะดีแต่ในใจกลับเกิดความรู้สึกแปลกแยกกับสังคมเบื่อสังคมเบื่อในในชีวิตเป็นอย่างมากทําอะไรก็เบื่อไปหมดเมื่อมีความอยากก็เอาชนะและวข้ามความอยากมาได้ทุกครั้งอยากถามพระอาจารย์ว่า แทนที่ปฏิบัติรมแล้วควรจะมีจิตใจผ่องใสเบิกบานแต่ทำไมเป็นแบบนี้หรือข้าพเจ้าเดินผิดวิธีคะเพราะขาดสมาธิไไม่ยอมเข้าสมาธิจิตมันก็ไม่ได้รับสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบในเวลามันจเจริญปัญญามันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายแบบใจที่ไม่มีสมาธิ ถ้าใจมีสมาธิมันเกิดความเบื่อหน่ายแต่มันจะเบื่อหน่ายแบบมีความสุขต่างกันคนที่เจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิก็จะได้รับผลอย่างนี้คือจะเบื่อหน่ายแต่ไม่มีความสุขเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์แล้วก็ไปทุกข์กับมันแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่ทุกข์มันเห็ น, น ว, ว่าความทุกข์อยู่ข้างนอกแต่ใจมีความสุข ใจไม่เดือดร้อนท่านถึงสอนอยู่เรื่อยว่าต้องมีปัญญาก่อนต้องมีสมาธิก่อนถึงค่อยออกทางปัญญาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้พิจารณาปัญญาแล้วแทนที่จะจิตจะมีความสุขกลับจะเกิดความหดหู่อิจฉาราอาใจราอาใจเบื่อหน่ายขึ้นมาได้พอทำข้ามขั้นตอนนะต้องมีสมาธิก่อนสมาธินี้สาคัญมากหลวงปู่มั่นสอนหลวงตามหาบัว ว่าท่านได้ศึกษาพระธรรมมาถึงขั้นป ร, ริยนสามมหาสารประโยคคือท่านได้เรียนรู้ทางด้านปัญญามามากพอแล้วแต่ปัญญาเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้ท่านมีความสุขเลยทงกครั้งที่ท่านพิจารณาใจของท่านจะเกิดความหดหู่เกิดความเบื่อหน่ายคิดถึงความตายก็จะหดหู่คิดถึงอสุภะก็จะ หดหูเบื่อหน่ายไม่มีความสุขเพราะใจของท่านไม่มีสมาธิต้องทำใจให้สมาธิมีสมาธิก่อนแล้วเวลาพิจารณามันจะไม่หดหูมันจะรู้สึกเฉยเฉยมันจะรู้สึกปล่งได้ว่าชีวิตก็มีเท่านี้ไม่เห็นมีอะไรดีแต่มันจะไม่มันไม่มันจะมีความสุขจากการพิจารณาใจมันกลับจะปล่อยวางได้ นั้นต้องพยายามเจริญสติเพื่อให้ใจสงบให้ได้แล้วใช้ความสงบนี้เป็นฐานของการเจริญปัญญาเปรียบเทียบทางโลกก็เหมือนกับการาทำงานทำการก่อนที่เราจะทำงานได้เราต้องพักผ่อนหลับนอนก่อนกินข้าวหลับนอนเตื่นเช้าขึ้นมาเราค่อยไปทำงานถ้าเราไปเที่ยวทั้งคืนแล้วต้องไปทำงานต่อจะรู้สึกอย่างไร จะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะไปทำงานนะครับใจก็เหมือนกันก่อนที่จะออกไปทำงานทางปัญญาทางวิปัสสนาได้อย่างมีผลอย่างมีความสุขนี้ใจต้องได้พักผ่อนหลับนอนใจต้องเข้าไปในสมาธิก่อนคะคำถามข้อที่สอง การบรรลุทมขั้นต่างๆเช่นพระโสดาบันผู้ที่บรรลุแล้วจะรู้ด้วยตัวเองหรือไม่ว่าตัวเองบรรลุเหมือนทางโลกหรือไม่ที่เดินทางจากจุดเอไปจุดบีแล้วรู้ตัวว่าตัวเองถึงที่หมายถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมอย่างละเอียดนี่ก็อาจจะไม่รู้ว่าตอนได้บรรลุถึงขั้นนั้นขั้นนี้ที่มีชื่อนั้นชื่อนี้ แต่จะรู้ว่าได้กำจัดกิเลสตัณหาข้าศึกศัตรูที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจตัวนั้นตัวนี้ได้ท่านจะรู้อย่างนั้นเช่นท่านกลัวตายแล้วท่านพิจารณาความตายจนกระทั่งท่านปล่อยได้พอท่านเจอความตายท่านก็ไม่กลัวความตายท่านพิจารณาทุกขเวทนานั่งสู้กับมันไปจนกระทั่งทุกขเวทความกลัวเวทนานี้หายไปอยู่กับเวทนาได้ เวทนาจะหนักจะเบาอย่างไรจะเกิดหรือไม่เกิดใจไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนท่านจะรู้แบบนี้แต่มันจะไม่มีป้ายบอกว่านี่เป็นโสดาบันแล้วนะนี่เป็นนู่นเป็นนี่แล้วนะมันไม่มีจะมารู้อีกทีก็ต้องมาเปิดแผนที่ดูเหมือนกับเวลาเราเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปแต่เราไม่ได้เปิดแผนที่ดูแล้วไม่มีป้ายบอกว่านี่เมืองอะไร มาถึงเมืองนี้ก็ไม่มีป้ายบอกเราก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าเมืองนี้มีคนแบบไหนแต่งตัวอย่างไรกินอาหารอย่างไรมีอันนี้เรารู้เราจะมาลูกที่ว่าเมืองนี้ชื่ออะไรถ้าเราไปเปิดดูแผนที่หรือเปิดเป็นหนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวกับเมืองนี้ว่ามีสถานที่นั่งที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ถึงรู้อ๋อเราเคยไปมาแล้วเมืองนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเพราะมันไม่มีป้ายบอก เวลาเราปฏิบัติทำมันไม่มีป้ายบอกว่าตรงนี้เป็นอาณาคามีแล้วตรงนี้เป็นโสดาบันแล้วตรงนี้เป็นอหรหันต์แล้วมันไม่มีแต่มันจะมเีเหตุการณ์ที่ทำให้เราเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากความกลัวตายกายเป็นไม่กลัวตายจากกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกายเป็นไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากการเป็นคนมีการาม ก า, ามหนากามอารมณ์หนากกลายเป็นคนไม่มีการอารมณ์หลงเหลืออยู่เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พอมาอ่านหนังสือธรรมะมาอ่านเรื่องสังโยชน์สิทธิข้อถึงจะเข้าใจอ๋อข้อนี้เป็นของพระสวดาบันข้อนี้เป็นของพระอนาคามีข้อนี้เป็นของพระอรหันต์มันถึงจะรู้แต่มันรู้อยู่ในใจว่าใจไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วคําถามต่อไปจากคุณกอล์ฟ ข้อแรกได้รักษาศีลแปดรู้สึกมีสิ่งรบกวนน้อยลงเข้าสมาธิได้ง่ายพอจิตสงบปรากฏความรู้เช่นบาปบุญหรืออะไรต่างๆเข้ามาปรากฏชัดเจนแต่จิตสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นไม่เป็นอารมณ์นั่งได้นานเป็นชั่วโมง พอเข้าชั่วโมงที่สองเวทนามันปวดมากครับถ้าเกิดเวทนาทางร่างรุนแรงออกมาอย่างนี้ผมผมจะปฏิบัติอย่างไรครับผมทนไม่ไหวนะครับออกมาก่อนก็มีสองขั้นขั้นแรกก็คือการใช้สตออิคืออย่าไปสนใจกับความเจ็บที่ปรากฏขึ้นมาให้บริกรรมพุทธโธอย่างต่อเนื่องไม่ให้ใจไปคิดถึงความเจ็บ ไม่ให้ใจไปอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปหรืออยากจะลุกหนีจากความเจ็บนั้นไปถ้าเกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือเกาะติดอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยที่ไม่ไปนสนใจกับความเจ็บความเจ็บมันจะไม่มารบกวนใจความเครียดที่มีในใจก็จะหายไปเพราะใจไม่สามารถผลิตความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปได้อันนี้เป็นการ ผ่านทุกขเวทนาด้วยการใช้สติซึ่งเป็นการผ่านแบบชั่วคราวทุกครั้งที่เจอทุกขเวทนาก็ต้องใช้วิธีนี้ทําไปถึงจะผ่านได้วิธีที่สองก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาทุกขเวทนาว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นเรามันเป็นร่างกายมันเป็นอยู่ที่ร่างกายแล้วเราก็ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้ สั่งให้มันเกิดไม่ได้ร่างกายเป็นที่ตั้งของเวทนาร่างกายเขาไม่เดือดร้อนเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไมเราเป็นเพียงคนดูร่างกายเหมือนกับหมอดูคนไข้หมอไม่ได้เจ็บป่วยไปกับคนไข้ทำไมหมอกลับไปเดือดร้อนแทนคนไข้เพราะหมอไปหลงคิดว่าหมอเป็นคนไข้สเสียใจไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายใจคิดว่าตนเองเจ็บปวด ความจริง ต, น, ตนเพียงผู้รู้เท่านั้นเองผู้ดูเท่านั้นเองงั้นก็สอนใจว่าให้ดูไปเฉยๆอย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายไปอย่าไปกลัวความเจ็บดูไปเหมือนกับเราดูหนังผีอย่างเงี้ยดูไปมันเป็นหนังไม่ต้องไปกลัวผีไม่ไม่ออกมาบีบคอเรานั่งดูไปไม่ต้องปิดตา ใจเรามันไปหลงคิดว่าตัวเองอยู่ในจอภาพภาพยนต์คิดว่าผีจะมาบีบคอมันเลยต้องหลับตาไม่กล้ามองนั้นใดเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็ไปคิดว่าใจเป็นไปกับร่างกายความจริงใจเป็นเพียงผู้ดูร่างกายเท่านั้นเองงั้นเวทนาเวลามันเกิดขึ้นมาก็พิจารณาว่ามันเป็น ภาพหลอกอยู่ในจอปล่อยปรากฏขึ้นมาไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปอยากให้มันหายดูมันไปสักแต่ว่ารู้ไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะหายก็หายไปถ้าใจเข้าใจแล้วใจมันก็จะวางเฉยได้มันก็จะรู้สักแต่ว่ารู้ได้แล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายที่มันทนไม่ได้นั้นมันไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจ ที่เกิดจากเกิดจากความกลัวความเจ็บเกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าเราสามารถป้องกันไม่ให้มันผลิตตัวนี้ขึ้นมาได้เราก็จะสามารถอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้เช่นเวลาเรานั่งนั่งเล่นไพ่นั่งทำอะไรทั้งคืนนั่งดูหนังเป็นชั่วโมงทำไมเรานั่งได้เพราะใจเราไม่ไปคิดอยากที่จะให้ความเจ็บของร่างกายมันหายไปใจเรามัวแต่จดจอด่อดูกับเรื่องที่เรากาลังทาอยู่ดูหนังเล่นไพ่อยู่ กวามเจ็บของร่างกายถึงแม้จะมีอยู่เราก็ไม่ให้ความสำคัญกับมันเราก็นั่งเล่นได้กันทั้งคืนคำถามข้อที่สองขณะนี้กระแสะของศาสนาหนักมาก คนออกมาวิาพากวิจาร์กันมากถึงกับด่าพระเพื่อนผมบางคนก็เป็นตัวตั้งตัวตีส่วนผมวางอุเบกขาได้แค่อยากจะฝากถามเพื่อบอกเพื่อนเกี่ยวกับความเหมาะสมในการออกมาว่าผ้าเหลืองเราควรจะวางตัวแบบไหนในฐานะของชาวพุทธก็ตัวใครตัวมันไงเราดูแลตัวเราคนเดียวก็พ อ, อ เราอย่าไปบ้ากับเขาก็จบคนอื่นก็จะบ้ากับเรื่องของเขาหน้าที่ของเราก็คือรักษาใจของเราให้เป็นปกติเจริญสติเจริญปัญญาพิจารณาว่าทุกอย่างมันก็อนิจจังทุกขงังอนัตตามีเจริญมีเสื่อมมีดีมีชั่วปนกันไปเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ถึงเวลามันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเอง